จักเป็นผู้ระ ง, งับจิตสังขารหายใจเข้าหมวด4ที่สใช้บําเพ็ญจิตตานุบัสสนาสติปัฏฐานได้ 9. สําเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกสําเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้า10สําเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สำเนียกว่าจาักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสิบเอ็ดสำเนียกว่าจาักตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจาักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสิบสองสำเนียกว่าจาักเปลืองจิตหายใจออกสำเนียกว่าจักเปลืองจิตหายใจเข้าหมวดสี่ที่สี่ใช้บำเพ็ญธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานได้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 เฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นสมถะของจตุกะแรกคือหมวดสีที่หนึ่งเท่านั้น